นครปาตลีบุตรจะแตกด้วยภัยสามอย่างอานน์ตลอดพื้นที่อันเป็นย่านชุมชนแห่งอารยชนและเป็นทางค้าขายนครนี้จะเป็นนครชั้นเอกเป็นทำเลค้าขายชื่อปาตลีบุตรและนครปาตลีบุตรจะเกิดอันตรายสามอย่างคือ มัคคีภัยอุทกภัยหรือการแต่ความสามัคคีภัยในกลุ่มครั้งนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจ พอให้ระลึกถึงกันและกันแล้วได้ยืนหน้าที่สมควรสุนีทะและวัศการะมหาอมาตแห่งมคตรัฐผู้ยืนหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดรับพัะตาหารของพวกข้าพระองค์เพื่อเจริญกุศลในวันนี้เถิด พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษนีภาพครั้งนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตรัฐทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วลุกจากอาสนะแล้วกลับไปลําดับนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐ ให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตแล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลพัตกาลพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าพัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศกแล้วทรงถือบาทและจีวร เสด็จไปที่จัดเลี้ยงของสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมครรัฐประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นสุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน กระทั่งพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จห้ามพัดตาหารแล้วทรงละพระหัตจากบาดได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่มหาอามาตทั้งสองด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่าบัณฑิตอยู่ในที่ใดครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติ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 ผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่ถวยเทพอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาสุนีทะและวัสกาละผู้เป็นมหาอมาตะแห่งมคตรัฐด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วได้เสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับ